ตอนที่ยีสว่านชิวเ อ, อ๋อชูหลิงเสด็จมายังสวนหลวงอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าสถานการณ์ของเขาจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเขาก็รู้ดีว่าการจะทําลายหมากกระดานนี้เพื่อกุมอํานาจนั้นยากเย็นเพียงใดแต่อย่างน้อยเขาก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับต้าอวีและแว่นแคว้นต่างๆซึ่งสิ่งนี้จะช่วยในการตัดสินใจหรือแม้แต่การวางแผนของเขาในอนาคตได้อย่างมหาศาลสวนหลวงแห่งพระราชวังวีตำหนักหมิงเตอ๋อ ชูหลิงนั่งอย่อย่างเบื่อหน่ายสายตาจ้องมองไปยังเหล่าขันทีนักรบนับสิบชีวิตที่ยืนอยู่ภายในตำหนักเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบ้างเลยหรืออย่างไรจากการสังเกตของชูหลิงเขาพบว่าขันทีนักรบกลุ่มนี้เมื่อถึงเวลผัดเปลี่ยนภายในตำหนักพวกเขาสามารถยืนนิ่งสนิทไม่ไหวติงได้นานถึงสี่ชั่วยามราวกับเป็นรูปปั้นที่ไม่มีชีวิตหากจะพยายามหาข้อผิดพลาดให้ได้จริงๆก็คงมีเพียงการกระพริบตาเท่านั้นทว่าความถี่ในการกระพริบตาของขันทีนักรบแต่ละคนก็ยังไม่เท่ากันอีกด้วย ครั้นเมื่อครบสี่ช่วยามขันทีนักรบผลัดใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนแน่นอนว่าพวกเขาจะเริ่มเคลื่อนไหวแต่ชูหลิงสังเกตเห็นว่าขันทีนักรบที่ออกเวรไปนั้นกลับไม่มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่น้อยแม้แต่สีหน้าท่าทางก็ยังคงเรียบเฉยไร้ความรู้สึกนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียว แม้ชูหลิงจะไม่รู้ว่าขันทีนักรบเหล่านี้ชื่อเร่งเสียงใดแต่เขาก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าขันทีนักรบที่ถูกส่งมาประจำการเบื้องพระพักเหล่านี้จะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานมิเช่นนั้นไม่มีทางทำได้ถึงเทียงนี้แน่นอนแล้วขันทีนักรบในพระราชวังวีไปกบดานอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วใครกันที่เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกฝนพวกเขานี่คือสิ่งที่ชูหลิงอยากรู้เป็นอย่างยิ่ง สำหรับจักรพรรดิแห่งต้าวิแล้วฐานะช่างสูงส่งยิ่งนักตามหลักการแล้วเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จักรพรรดิควรจะเก็บมาคิดหรือแม้แต่จะปลายตามองด้วยซ้ําสิ่งที่จักรพรรดิควรพิจรารณาคือภารกิจสําคัญทางการทหารและการเมืองคือหลักฐานของใต้ล่าและการปราบปรามศัตรูที่แข็งแกร่งต่อให้ขันทีนักรบจะเก่งกาจเพียงใดพวกเขาก็เป็นเพียงทาส ร, รับใช้ของราชวงศ์ในฐานะนายจําเป็นต้องไปใส่ใจทาส ร, รับใช้ด้วยหรือคําตอบคือไม่จําเป็น เพียงแต่ชูหลิงนั้นเบื่อเกินไปจริงๆนับตั้งแต่ย้ายจากตำหนักกรลู่มายังตำหนักหมิงเต๋อห้าวันผ่านไปเช่นนี้สิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ควรเรียบรียงและสิ่งที่ควรวางแผนชูหลิงก็ได้ทำไปหมดแล้วในช่วงแรกที่อยู่ตำหนักหมิงเต๋อชูหลิงยังรู้สึกว่าเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วเพราะเขายังมีเรื่องให้ทําแต่พอมาถึงตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าแต่ละวันช่างยาวนานราวกับผ่านไปเป็นปี ทั้งวันนอกจากสวยแล้วก็บรรทมต่อให้มีคนมารับใช้ข้างกายมากมายเพียงใดแต่การถูกกักขังอยู่ในสถานที่แห่งเดียวนานๆไม่ว่าใครก็คงจะรู้สึกคลุ้มคลั่ ง, งพวกเจ้าถอยไปให้หมดในขณะที่ชูหลิงยังคงสังเกตเหล่าขันทีนักรบพายในตำหนักหลีจนที่หายหน้าไปห้าวันก็ได้นำคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาในตำหนักพร้อมกับกล่ากับขันทีนักรบที่เฝ้ายามอย่างราบเรียบเหล่าขันทีนักรบพายในตำหนักยังคงนิ่งเฉยออกไปจากตำหนัก เมื่อชูหลิงมองไปก็เห็นคนผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ประตูตําหนักเขาเอ่ยสั่งด้วยน้ำเสียงเงย็นชาเหล่าขันทีนักรบต่างพากันก้มหน้าและถอยออกไปนอกตําหนักทันทีในขณะเดียวกันขันทีนักรบหลายคนต่างก็ลอดถอนหายใจอย่างโล่งอกอยู่ภายในใจจริงอยู่ที่พวกเขาผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากระพัดผู้สื่อพระราชสันติวงศ์มักจะจ้องมองพวกเขาอยู่บ่อยครั้งต่อให้จิตใจจะมั่นคงเพียงใดก็ย่อมต้องเกิดความหม่นไห้บ้างเป็นธรรมดาในที่สุดเรื่องนี้ก็จบลงเสียทีใช่ไหม นี่คือสิ่งที่ขันทีนักรบหลายคนคิดพร้อมกับพี่สีหน้าของบางคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเพียงมนุษย์ปุตทูชนที่มีเนื้อมีหนังสีนะชูลิงที่จับสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านี้ด้สีหน้าของเขาไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาแต่ในใจกลับรู้สึกขบขันเขาเคยนึกว่าขันทีนักรบเหล่านี้จะเหมือนกับเคลื่อนจากเสียอีกแต่คนเราอย่างไรก็ไม่ใช่เคลื่อนจากย่อมต้องมีเวลาที่เหนื่อยล้าหากไม่รู้จักเหนื่อยไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่มีความกังวลใจนั่นก็ไม่ใช่คนแล้วแต่เป็นเท พ, พเจ้า น่าเสียดายที่โลกมนุษย์นี้ไม่มีเทพเจ้ามีเพียงมนุษย์ที่มีเนื้อหนังมังสาต่อให้ฐานะจะสูงส่งเพียงใดสุดท้ายก็หนีไม่พ้นการเกิดเกดเจ็บและตายบ่าวถวายบังคมจากรพัฒด์ผู้สื่อพระราชสันติวงศ์หลี่จงเดินมาหยุดอยู่เบื้องพระพักพร้อมกับคกเ ข, ข่าวคำนับชูหลิงอย่างนอบน้อมนางคือใครความสนใจของชูหลิงไม่ได้อยู่ที่หลี่จงแต่อยู่ที่หญิงสาวที่ตามหลี่จงมาเขาค่อนข้างสงสัยในฐานะของนาง ทุนจั ก, กรพัฒน์ผู้สื่อราชสันติวงศ์หลี่จงตอบตามความจริงนางคือหญิงรับใช้ที่ซานโฮส่งมาเพื่อปรนนิบัติพระองค์นางมีชื่อว่าว่านชิวเอ๋อตอไปนางจะคอยอยู่รับใช้เบื้องพระพัจกจักรพัฒด์ผู้สื่อพระราชสันติวงศ์พะยะคะที่เจ้าหายไปจากตำหนักหมิงเต๋อหลายวันนี้ก็เพื่อไปจัดการเรื่องนี้งั้นหรือชูหลิงยิ้มข้า ย, ยัางนึกว่าต่อไปจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าอีกแล้วเสียอีหัวใจของหลี่จงพันสั่นไหวอ ย, อย่างบอกไม่ถูก สิ่งที่เขาเผชิญในช่วงหลายวันที่หายไปจากตำหนักหมิงเตอทำให้หลี่จงคิดอยู่หลายครั้งว่าตนเองอาจจะต้องตายเสียแล้วแต่ยังดีที่เขาค่อนข้างฉลาดหลักแหลมจึงสามารถผ่านพ้นมาได้โดยไร้อันตรายเพียงแต่ประสบการณ์เช่นนั้นหลี่จงไม่อยากจะพบเจออีกเป็นครั้งที่สองเจ้าชื่อว่านชิวเอ๋อร์งั้นหรือในขณะที่หลี่จงกำลังครุ่นคิดชูหลิงก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาเมื่อเดินมาถึงตรงหน้าว่านชิวเอ๋ราาเอร์เขาก็เงยหน้าขึ้นพิจารณานางว่านชิวเอ๋อร์ยังคงก้มหน้าต่ำเทค่ะ ว่านชิวเอิร์อบกลับด้วยเสียงเบาทว่าในน้ำเสียงของนางกลับแฝงไปได้วยความยินชาที่ผลักใส่ผู้คนให้ออกห่างทำอะไรเป็นบ้างละ่ะชูหลิงยิ้มพรางถามนางต่อสังหารคนเพคะว่านชิวเอิร์ตอบโดยที่ยังก้มหน้าอยู่ชูหลิงชูหลิงไม่คาดคิดว่าหญิงสาวตรงหน้าที่หน้าตาสวยราวกับล่มเมืองตามหลักการแล้วการมาอยู่ปรนิบัติเบื้องพระพักตร์ควรจะเป็นคนที่ดูอ่อนหวานรู้จักทั้งทินหมากรุกคัดลายมือและวาดภาพถึงจะปรนิบัติได้ดีกว่า แต่สังหารคนเนี้ยนะชูหลิงขมวดคิ้วพลางพิจารณาว่านชิวเ อ, อ๋อทุ่นจั ก, กรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ขันที่นักรบเบื้องพระพักจะต้องถูกโยกย้ายออกไปชุดหนึ่งพยาคะหลี่จงก้มหน้าก้าวเข้ามากล่าวเมื่อถึงวันพรุ่งนี้จั ก, กรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์จะต้องเสด็จกลับไปยังตำหนักต้าซิงเพื่อความปลอดภัยของพระองค์ซานโฮจะมีรับสั่งให้บ่าวคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถมาคอยปฏิบัติ ร, รับใช้เบื้องพระพักพยะคะหาตัวคนวางเพลิงตำหนักต้าซิงพบแล้วหรือ ชูหลิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยพลางมองไปที่หลี่จงพบแล้วพยาค่ะหลี่จงก้มหน้าตอบเป็นคนในจิ้นจวินจากการตรวจสอบพบว่ามีความแค้นสะสมอยู่ภายในใจช่างเป็นการตรวจสอบที่ดูเป็นทางการเสียจริงชูหลิงลอบยิ้มในใจดูเหมือนว่าหลังจากวุ่นวายมานานสารโห่จะหาตัวคนวางเพลิงที่แท้จริงไม่พบแต่เพื่อให้เรื่องนี้สงบลงจึงได้โยนความผิดไปที่จิ้นจวินแทนเกรงว่าภายในจิ้นจวินคงจะมีคนจํานวนไม่น้อยที่ต้องรับคราะหก ร, รมทั้งที่ไม่ได้ก่อสีนะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชูหลิงได้เป็นจักรพรรดิแต่เขาก็รู้ดีว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจย่อมเป็นช่วงที่มีคลื่นลมแรงที่สุดและมีปัญหามากที่สุดเพราะในช่วงเวลานี้การส่งมอบอำนาจเก่าและใหม่ ย, ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดช่องโหว่ซึ่งจะทำให้มีคนคิดหาประโยชน์จากจุดนี้ดังนั้นเสียววังผู้นี้แท้จริงและกบดานอยู่ที่ใดในพระราชวังวีกันแน่ เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ชูหลิงก็ยิ่งรู้สึกสงสัยในตัวเซียวังมากขึ้นเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต่ซานโฮกลับตรวจสอบไม่พบคนผู้นี้เลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้ทำให้ชูหลิงอดคิดมากไม่ได้จริงๆขันทีนักรบเบื้องพระพักต้องถูกโยกย้ายออกไปชุดหนึ่งนี่เป็นเพราะเหตุใดกันชูหลิงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมองไปที่หลี่จงนามเพียงคนเดียวที่คอยอยู่รับใช้ข้างกายข้าหากเกิดเรื่องเหมือนคราวก่อนขึ้นอีกจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้าจะปลอดภยัยทุนจั ก, กรพัฒน์ผู้สื่อพระราชสันติวงศ์การโยกย้ายขันทีนนนัักกรบออไป้ ก็เพื่อความปลอดภัยของพระองค์พยาคะหลี่จงก้มหน้ากล่าวพิธีราชาพิเศษใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วตามธรรมเนียมจะมีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องเพิ่มกำลังขันทีนักรบไปทางนั้นส่วนนางนั้นขอให้จักรพัฒผู้สื่อราชสันติวงศ์ทรงวางพระไทยว่านชิวเ อ, อ๋อมีฝีมือไร้กาดยิ่งนักต่อให้ขันทีนักรบสุดคนลงมือพร้อมกันก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางพยาคะ ชูหลิงมองว่านชิวเอ๋อร์ด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คาดคิดว่าฝีมือของนางจะเก่งกาจถึงเพียงนี้ดูเหมือนว่าที่มาของคนผู้นี้จะไม่ธรรมดาเสียแล้วเช่นนั้นนางจะเป็นสายลับของใครกันละ่ะ